พระิสุทสิ์สงศวดีพี่ๆทุกคนนะครับผมชื่อเนนอตนะครับอ่าจจะเสียงสั่นนะครับตื่นไมาครับผม uh huh. <laughs> อันนี้อันนี้สงจากการเจริญสติครับผมอก็พอคุมตัวเองให้พูดได้อยู่ครับชื่อจริงชื่อพิศณุพงศ์นามสกุลวาตะครับผมก็เข uh ้าประเด็ น, น, น, นากกาเลยครับว่าเป็นเ น, นนี่ยากยังไงเป <laughs> ็นเนนเอาผมจะเอา ตอนไปนเนียนไปเที่ยวกับตอนที่เป็นผ้าขาวอยู่ที่วัดละกันนะครับไม่ไม่ต้องเทียวกับตอนเป็นโยนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนตอนอยู่บ้านปกติไม่ได้มาทำอะไรก็เป็นเด็กเกเรนี่ใส่ไว้ด <c oughs> ไีไม่ค่อยอยากพูด <c oughs> ถ้าตอนเออเป็นผ้าขาวอยู่ที่วัดเนี่ยมันมันยากเรื่องแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่ายากมาก ใส่จีวร ผ, ผมไม่อยากบวชก็เพราะเรื่องนี้แหละครับเอาแรากแม่จะให้มาบวชแต่ว่าเออเนี่ยยากมากเลยครับเรื่องใส่จีวรผมเลยขอเป็นผ้าขาวก่อน <c oughs> มันเป็นเรืมันอะไรเขาเรียกว่า อ, อะไรยุ่งยากเลยเนอะ ค, ความรู้สึกผมมันรู้สึกไม่คล่องตัวเหมือนตอนเป็นผ้าขาวหรือว่าอะไรไม่ว่าต้องพยายามมันรู้สึกมันยุ่งยากรู้สึกไม่ไม่ไม่คล่องตัวไม่สบายตัวทําอะไรก็ มันความคิดมันเยอะกว่าเหมือนว่ามันมีตัวตนอะไรเพิ่มขึ้นมาสักอย่างว่าเราเป็นเนนอะไรประมาณนั้นแหละครับมันมันไม่รู้มันมันต่างกันนะครับความรู้สึกมันต่างกันไม่รู้ว่าเราเร า, เราจะทำยังไงเอลเป็นเนนนี่ต้องทาอะไรพูด <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยออกครับผม <c oughs> ก็รู้สึกไม่ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ก็ต้องอยู่แล้วหรวงพ่อบอกว่า เป็นเนีย่ยมันมันมีอะไรสะดวกแต่ผมก็ไม่รู้อะไรมันสะดวกขึ้นนะผมหลว่อเขาให้บวดว่าเออมันดเนีย่ยแล้วมันมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นผมไม่รู้ไงนะปฏิบัติก็ยากขึ้นอะไรก็ยากขึ้นผมไม่เข้าใจเออขอเรียนถามหลวงพ่อเลยครับว่ามันอะไรสะดวกขึ้นนะผมสะดวกน้องต้อไปอ่า ทำงานเพื่อหาเงินไหมได้ไปดินแน่ไม่ได้ไม่ครับต้องไปต้องเสียตังคัดผมไหมเร <c oughs> ิ่มเริ่มนะ<อ>ต้องเสียตังไปซื้อเสื้อข้ามาใส่ไหม <c oughs> ต้องเสียตังไปหาเงินมาเช่าบ้านไหม <c oughs> ต้องไปหาเงินมาซื้ออาหาราีไหมสะดวกไหมเอาเลยได้มีความสะดวกแล้วใช่ไหม <c oughs> จะไปไหนจะต้องขอเงินพ่อแม่ไหมไม่ต้องใช่ไหม จะทานอาหารนี่ต้องไปแต่รับจ้างทหารเนไปเชื้ออาหารไหมนี่สะดวกขึ้นเยอะเลยนะโอเคครับผมโอเคโอเคงานต่อเลยงานต่อเลยเราก็ไปทุ่งดวงด้วยซ้ำเลยตอนทุ่งดงประสบการณ์เลยนะครับเอาเอาวันแรกเลยเป็นทุกคนต้องจดจําครับผมคนที่เดินวันแรกทุกคนต้องจดจําเพราะว่าวันแรกนี้ หลวงพ่อดวงศินลปดลองใจครับผมว่าอยู่กันได้ไหมก็เปิดเดินเดินไกลสุดห้าสิบกิโลใช่ไหมครับลวงพิลักผมจาไม่ผ่านห้าสิบกิโลครับโอโ้โหมานี่เป๋ดทุกคนไหมรครับใครใครก็เป็ดครับขนาดหลวงพ่อดวงศิลที่เคยเดินมาแล้วครับพอมาเดินวันแรกห้าสิบกิโลยังเป๋เลยครับเดินเป็นเปดกันทุกคนเลยโอ้โ นี่คือประสบการณ์ที่ได้พบความสุขที่สุดแล้วผมจมจมอารมณ์เนียตอนเดินทุกใช่ไครับเหนื่อยก็พอได้มาพักนะครับได้ดื่มอะไรน้ำตาลสดแล้วผมกลายว่าแบบติดใจไปเลยเออดด้านหาอุบาทานอะไรไปเรื่อยเลยโอ้กลายมันความสุขนี้มันก็คือการที่เราทุกมากๆแล้วทุกมันน้อยลงนี่นะว่า ยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่พอความทุกข์นั้นน้อยลงโอ้โหมันมันรู้สึกว่ามีความสุขก็เลยเข้าใจคําว่าความสุขก็ตรงนี้แล้วครับก็วันยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดวันก็น่าขายสิบกินี่ไหมไม่ใช่เอามวันแรกวันเดียวครับผมงงงงวันมาไวัสุดก็เลยเล่นครับเล่นตั้งแต่ ตั้งแต่นู่นแหละครับปฏิบัติใหม่ๆครับผมก็ดูดูแต่เรื่องง่วงเดียวหนุ่มข้อสออะไรก็เออเอามาทํำๆแต่ว่าไม่รู้ชอบชอบดูเรื่องง่วงจนแบบเออคนพบอะไรแปลกๆเอ้ยเราทําอย่างงี้ทาไมมันไม่ง่วงเออทาไมทําอย่างนี้มันถึงง่วงจริงๆนะครับเวลาเราง่วงเนี่ยไม่ว่าผมจะไปทําอะไรหรือว่าเปลี่ยนท่าหรือว่าอะไรเนี่ยความม่วงมันก็ไม่หายจิดขาดนะมันแค่บรนเทามากสุดที่ ผมเห็นเวลามันมีอารมณ์ง่วงติดอยู่ในใจนะครับผมเดินไปเข้าห้องนะครบปุ๊บเหมือนว่าสติมันห ล, ล, ลุดไปปุ๊บช่วงหนึ่งปุ๊บพอกลับมาใหม่อ้าวทําไมเราหายง่วงเ อ, อ้ผมง็ไม่เข้าใจนะครับว่าการจัดการอารมณ์ของตัวเองนี้มั น, มนทํายังไงครับเวลาเกิดอารมณ์ง่วงแต่ผมรู้แค่ว่าเดินเข้าห้องน้ําแล้วมันมันจะหายใช่ครับ <c oughs> เปลี่ยนท่าอย่างที่หลวงพ่อสอนได้มากสุดก็แค่บันเทาครับผม <c oughs> แล้วก็อืมเวลาตอนนั่งเนี่ยครับ แล้วผมก็สังเกตว่าเราเราจะทําเพ่งหรือว่าเข้าไปเนี่ยอารมณ์มากเกินแล้วก็มันเบรอครับผมมันเบร์มันเบร์แล้วเราเราไม่มันคล้ายๆเข้าฌานะครับแบบจมในอารมณ์แต่มันเราไม่รู้ว่าเราจมในอารมณ์แบบมันมันมัวมัวมันอะไรมันไม่ชัดมันมั่วอะไรประมาณนั้นแหละครับพอจมไปเหมือนเวลาเรานอนครับผม ผมสังเกตนะครับถ้าเราคิดมากๆเนี่ยความคิดมันจะชัดเราจะนอนไม่หลับครับผมแต่ถ้าเราปล่อยปล่อยตัวอะไรเกิดขึ้นช่างมันก็เมาเมามั ว, ว, ม, ว, ม, วมัวครับมันก็หลับไปเองครับผม อ, อันนี้นะครับเพราะว่าผมสังเกตจากเมื่อคืนนี้ครับผม <S <S ผมเห็นนะครับไม่รู้เป็นอะไรความคิดมันมาเยอะครับผมเอ๊ะนอนไม่หลับสักทีเราก็ลองกาหนดจิตครับผมเอาปล่อยเลยอะไรความคิดมาก็ อะไรเราเราก็แค่หลับตาไปเรื่อยๆแล้วก็ดูดูไปแล้วมันก็จะแบบรู้มีความคิดแต่มันไม่ชัดว่าเรารู้หรือไม่รู้นะครับประมาณนั้นก็จะทําให้เราเกิดความง่วงแล้วก็จมเข้าไปในพวังแล้วก็หายไปเลยครับไม่รู้ว่าเรานอหลับไปตอนไหนเรามาณอย่างนั้นนะผมอส่วนทําไงไม่ให้ง่วงคิดครับมีความคิดครับผมก็มันมันก็แล้วแต่เราเราด้วยนะครับถ้าเราเราทํา ประมาณว่าปฏิบัติแบบนี้ก็จะให้ผลในเวลาที่ต่างกันด้วยนะครับพอตอนแรกผมลองทดลองนะครับการสร้างจังหวะไปสร้างเป็นจังหว่างเนี่ยทําไมมันถึงง่วงยากกว่าเราได้สติมากกว่าก็ตอนเ้วถ้าเราสร้างอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมันเพลินมันมันมันไหลลื่นครับผมมันไหลลื่นไปเรื่อยๆพอเราหยุดปุ๊บปุ๊บมันก็นึกได้หนึ่งทีว่าเราหยุดแล้วเราเคลื่อนแล้วเราหยุด เนี่ยมันมันได้เป็นสเตปครับมันทําให้เรารู้สึกว่าตื่นตัวมากกว่าแต่ว่าคนคนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสร้างสร้างจังหวะกันแบบหยุดเพราะว่ามันน่าเบื่อครับผมมันมันรู้สึกว่าเวลาเนี่ยเออมันมันจะเขาเรียกว่านานครับแต่สร้างไปเรื่อยๆนี้เราจะรู้สึกว่ามันมันไหลเรื่อยนะครับเพราะผมสังเกตตอนเนี้ยตั้งแต่ปฏิบัติตอนใหม่ใหม่ผมก็สร้างเร็วๆไปเรื่อยๆยนะครับแต่ว่า มันรู้สึกไม่ได้ผลนะผมพอลองเปลี่ยนมาสร้างแบบนี้เห็นพี่คนนึงนะครับเห็นดูเ้าปฏิบัติเอ๊ะทาไมเขาไม่ง่วงเออก็ลองเรียนแบบการสร้างจังหวะของเขาดูนะครับก็เออตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกเพราะอะไรเดี๋ยวก็ทําไปเรื่อยๆก็ค่อยๆวิเคราะห์ไปครับสร้างัยหยุดไปเอ้ยอยมันก็เอ๊ยความรู้สึกของเรามันเริ่มชัดขึ้นมันเริ่มพัฒนาก้าวหน้าเร็วขึ้นไหยก็เลยเออผมก็เลยมาใช้การเคลื่อนแล้วก็หยุด นะแต่หน้าเบื่อหน่อยผมก็ช่วงแรกก็ใช้ความอดทนครับผมใช้ความอดทนทนทำเอาแล้วก็การสาร้างอย่างเงี้ยมันจ ะ, ะมีอาการเพ่งครับผมเพ่งส่วนช่วงแรกนะครับสร้างแล้วหยุดก็ไป แ, แก้ได้ตอนหลวงพ่อบอกว่าให้ทำให้มันเบาๆสบายๆแต่ตอนนั้นมันเพ่งมาสองเดือนแลว <laughs> หลวงพ่อหลวงพ่อก็เพ่งไป หนูพ่อคุยกับคนอื่นแล้วครับแต่ผมไปได้ยินแค่นั้นแหละครับผมก็เอาคาใช้กับตัวเองอเออมันก็พอเราสร้างผมผมว่าไม่ต้องเอาความรู้สึกนะครับปล่อยไปเลยไม่ต้องรู้สึกก็ได้แต่ขอเราเป็นคนสร้างจังหวะพอละไม่ต้องให้แบบคิดไปสร้างไปเอาอะไรเนี่ยใครเป็นคนสร้างจังหวะกันแน่นะครับผมก็สร้างไปเอ้ยแต่มันก็รู้สึกของมันเองนะครับไม่ต้องทำอะไรแสงว่าความรู้สึกนี้มัน มันเป็นของจริงอยู่แล้วเราไม่ต้องทําอะไรมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละครับเมื่อก่อนให้นิ้นน้อพูดน้อไม่พูดนผู้เูดเป็นนะเดี๋ยวนี้ถึงพูดเป็นนะเพราะนั้นในน้อมีที่มาก็คือโยมพ่อเนี่ยเธอเป็นถึงผู้พิพากษานะ <c oughs> แต่ว่าเขาซื่อเกินไปเข้า <c oughs> ไปเห็นความภายในของผู้พิพาษาทั้งหลายก็าเลาไม่ได้ขเข้าเลเาออกเลยเลาออกแล้วเข้ามาสอนทั้งโรงเรียนสอนทนายไปสอนทนายประกพัก เหมือนกับสอนคนให้ไปเอาเปรียบคนอื่นเขาก็ไปสอนอีกเขาก็เลยไม่ให้ดูเขาเด่นวิสือสักคนเลยบอ mm hmm. กว่าเรียนวิสือไปได้มาแต่เป็นคนขี้โกงมั้ง mm hmm. เออในที่สุดก็ครับก็พอมาอยู่ตอนีอยู่บนเขาอยู่ที่พิสุโลกแล้วก็แม่เขาตอนแรกเขาทำใจไม่ได้นะที่พอ่อสนะ mm hmm. า ม, มาีเอย่างเนี้นก็เลยพารุ่นมาปฏิบัติธรรมเห็นน้อยนาปฏิบัติที่ไท้สัเนเตริ์ตั้งแต่มเมือ่อไหร่จำไม่ได้ครับแต่ว่า ผมเคยปฏิบัติก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดนี้สามครั้งนะครับมาตั้งตอนปอ .6 แล้วก็ม .1 ม, ม .6 สองครั้งแล้วก็แพ้แสงเทียนนี่ทำไม่ผิดตอนอายุเท่าไหร่สิบสิบสิบสิบสามครับสิบสา ม, สสามจะไม่ได้ครับทานเอกกับนินอ่ะก็ แต่ว่าท่านละไม่มีวิบากกรรมเพราะท่านไปใช้วิบากกรรมก่อนยังไงกรรมมาเที่ยวนี้ก็ะพุทธจ้ได้ชื่อคนซื้อหายากที่สุดแต่คนมีปัญญาหาง่ายแต่ถ้าหาไปอยากได้ได้คนซื่อก่อนปัญญาฝึกไม่ยากแต่ว่าคนมีปัญญามาฝึกซื่อนี่ยากมากที่สุดเลยเพราะนั้นเรื่องนี้ขอฝากเอาไว้นะพระที่จ้ามีสอนไว้คำหนึ่ว่าต้องมีสัญชัติญมีมีความซื่อเป็นนิสัยจะไปปฏิบัติทำได้เดี๋ยวมา แต่ถ้าวามีความกดพฤติสายชลาขนาดไหนก็ปฏิบัติธรรม